เริต้น้วนนางแนวทางที่จะเป็นโรงเรียนที่นำเอาหลักพระพุทธศาสนานมาเข้ามาในบริบทของโรงเรียนมาในการปรับหลักสูตรนะะแล้วก็ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะปรับวิธีการที่ครูจะดูแลเด็กๆ ะะด้วยหลักธรรมนะคะเพราะนั้นเรากา็ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะต้องนำพาสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่การจัดการทั้งบริหารแล้วก็จัดการศึกษาของโรงเรียนนะคะจึงเริ่มต้นปีแรกก็พาครูปฏิบัติธรรมเลยก็หาครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่นะคะ้าไปปฏิบัติกัน แล้วก็ในที่สุดแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับไม่ใช่เฉพาะแค่บุคลากรของโรงเรียนหรือว่านักเรียนแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วนด้วยเป็นการสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติภาวนาซึ่งก็จะทำให้ความเป็นกรเรามิตรเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยานมิตรต้นต้นทางเลยก็คือคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่นะค ะ, ะซึ่งก็จะทําหน้าที่ของท่านได้ได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะในความเป็นการยานามิตรซึ่งต้องดูแลและเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของเด็กๆ ด, ด้วยของเยาวชนด้วยนะะเราก็ต้องเลือกเอาแนวทางที่ต้องนําด้วยสติปัญญาดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าวิธีการ ที่มาฝึกปฏิบัตินี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่นำพาให้กริยาณมิตรเนี่ยไปถึงสติปัญญาได้นะคะการปฏิบัติเนี่ยโดยแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราก็มีศรัทธาแล้วก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ในแนวทางนี้เนี่ยมาช่วยนำนะคะท่านก็ให้ความเมตตาอย่างมากนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะสุวงพ่อมหาก็มาได้เป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องทำให้การจัดคอร์สฝึกอบรมเนี่ยเรายังทำได้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นปกติของเรานะคะ <c oughs> ทีนี้การที่พาครูปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามนะคะ ก็ไม่ได้ถึงกับคาดหวังผลเลิศในทุกคนเท่ากันทุกคนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยน ะ, ะการรู้สึกตัวเนี่ยการที่เราจะอยู่แล้วเรารู้สึกตัวได้จนกระทั่งมีความรู้สึกตัวเป็นอุปนิสัยจริงๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทํางานที่ว่าหนักเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะคะเราตระหนักรู้ในในตัวเราเองเนี่ย นะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เป็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจหรือว่ามันผ่านเข้ามาในจิตใจของเรานะคะในเรื่องของการงานซึ่งแน่นอนอะ่ะการจัดการกับเด็กเป็นจำนวนมากๆเนี่ยไม่ใช่งานเบาๆพ่อแม่เลีย้ยงลูกคนสองคนก็ยัง เ, เป็นงานที่หนักหนาแต่ว่าในโรงเรียนเนี่ยคุณครูดูเด็กทีเดียว เป็นจำนวนมากนะคะ ค, ครูหนึ่งคนต่อเด็กยี่สิบกว่าคนเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องมั่นคงที่สุดก็คือจิตใจของ ค, ครูความมั่นคงก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับหรือว่ารู้แต่เพียงทฤษฎีว่าจะต้องมั่นคงแต่ต้องมั่นคงออกมาจากข้างในจริงๆนะคะเพราะนั้นการที่เขาได้มีโอกาสมาปฏิบัติแล้วรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจแล้วกเ็เข้าใจในหลักธรรมนะว่าเรานำหลักธรรมอะไรมาใช้ในโรงเรียนวิถีพุทธเช่นหลักธรรมของเรื่องอสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่รู้ตามบัญญัติเท่านั้นแต่ว่าต้องรู้ด้วยว่าเออมันอยู่ในชีวิตของเรายัางไง นะคะดเนินไปยังไงนะคะหลักธรรมก็คงมีหลายระดับถึงแม้ว่าเราจะนำมาใช้ในทางโลกิยะก็ตามแต่ว่าแนวทางก็ต้องให้ไปสู่แนวทางของมัคเช่นการมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจกันอยู่ในเบื้องต้นว่าเรานำเข้ามาสู่การศึกษาได้ยังไงอะไรคือสัมมาทิฏฐิของ โรงเรียนอะไรคือสัมมาทิฐิของผู้บริหารอะไรคือสัมมาทิฐิของการจัดการนะคะในการจัดการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พบว่าเราเป็นโรงเรียนที่ทันสมัยคือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเดินตามแนวทางของสัมมาทิฐิเนี่ยเรา เข้าถึงได้ง่ายมากไม่ว่านวัตกรรมนั้นจะคิดค้นมาจากต่างแดนจากประเทศไหนก็แล้วแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์ทั้งสิ้นนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้โรงเรียนเองเก็มีการปรับตัวนะคะอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยที่สุดเป็นเรื่องที่เอื้อกัน แล้วก็โรงเรียนก็สามารถจะพัฒนาเด็กได้ในทุกมิติไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของอาทางด้านวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องทางด้านจิตใจนะคะรับพฤติกรรมทัศนคติทุกทกอย่างไปด้วยกันนะคะก็เป็นสิ่งที่เรายิ่งมั่นใจว่ า, าพระบรมศาสดาของเราเนี่ยนะครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ถ้าเราเดินตามแนวทางการสอนของท่านเนี่ยเราก็จะพบว่าท่านทันสมัยที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องยืนยันที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วเราก็พาโรงเรียนอื่นๆทําด้วยเมื่อวานก็เพิ่งเป็นการประชุมกลั่นกรองครั้งสุดท้ายของโรงเรียนวิถีพุทธ20โรงเรียนที่โรงเรียนเขาก็เรา ไปทําวิจัยกับเขานะคะอยู่ประมาณเกือบสองปีเมื่อวานเป็นวันที่มาถ่ายทอดกันว่าสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงอย่างชนิดที่ร้อยแปดสิบองศงาก็มีนะคะเออน่าดีใจค่ะเพราะว่าเขาครูเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็มีความสุขขึ้นทั้งโรงเรียนมีความสุขขึ้นครูทั้งโรงเรียนนะคะ พบว่าตัวเองต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่กับนักเรียนนะแล้วก็เปลี่ยนด้วยความยินดีแล้วเราก็ใส่เครื่องมือหลายๆอย่างลงไปให้เขาใช้เพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจต่อหลักธรรมเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงต่อเด็กเพราะนั้น20โรงเรียนเมื่อวานก็ได้ผลพอสมควรบางเรียนดีมากๆนะคะมีอยู่2สาโรงเรียนที่ดีมากๆเลย ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าโรงเรียนวิถีพูดก็คงจะเป็นไปได้อย่างาราบรื่นและเขาก็พร้อมที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆอีก น, น, น, นะคะก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอต่อยอดนิดหนึ่งนะว่า อาจารได้พูดถึงว่าได้นําเรื่องนี้เข้าไปสู่โรงเรียนวิธีพูธเมื่อก่อนโรงเรียนวิธีพูดเนี่ยมีอยู่แล้วขยายไปเป็นหมือนๆโรงเรียนนะตอนต่อมาก็ก็หมดลงไปถ้าเรามาเขมมาคัดเอาให้เหลือสักยี่สิโรงเรียนมาดูก่อนครับอาจารย์มาทําวิจัยมาคก็จะขอลิบทั้งยี่สิบโรงเรียนไว้ด้วยวจะให้ติดตามดู วันนี้มารับนเรียนเข้ามาที่อำเภอเดชัยเก้าโรงเรียนนะที่จะมาอบรมในเรื่องเนี้แต่ทีนี้เทคนิควิธีการอยากจะไปสานกันทั้ง20โรงเรียนเนี่ ย, ย, ย, นนยให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่นะยี่สิบโรงเรียนนี่เป็นเรียนในอุงเทพหรือว่ต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดทั้งหมดนะอ๋อแล้วถ้าไงมาคงจะได้ขอตรงนั้นด้วยก็ยังไงในช่วงเพลงนี้ถ้าไม่รีบก็ทานอาหารร่วมกันก่อน เดี๋ยวา่าจะได้เตรียมเอกสาลไนดะ้ก็เดี๋ยวหลังจากนี่เราไปแล้วระทานร่มกันลกลับหา้องกันก่นอนอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระาวาพุทธังพระวันตงังอภิวาเดสวา คาโดพระขวะตตาธมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิ ยังไม่ต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าใครอยู่ในห้องไม่เป็นก็อยากให้ขึ้นมานั่งคนที่ด่อได้เท่ยวนี้นะักปฏิบัติใหม่20คนให้เก็บกระดุมดวนีะลงไป